ตอนศีลสามข้อวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดขอกราบนมหัศกรรพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัลยะมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆนะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่แล้วก็ครั้งใหญ่นะ <c oughs> ก็โกลาหนหมดเนาะ ปกติทุกคืนวันเสาร์เราทำวัดเจ็นเสร็จแล้วก็นั่งที่นูน้นพ่อครูไปบรรยายที่นูนแต่วันนี้เกิดอุปัติเหตุสายใหม่ของแอดมันไม่ถึงเพราะสารามันยืดนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะบางทีเราไม่ระวังทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงมันเล็กลงเล็กลงหดลงชีวิตเราเหมือนกันในทางโลกทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนไม่มีปัญญามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ ต่ำลงต่ำลงถ้าเรามีปัญญามันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นทุกขังมันดำรงอยู่ได้ยากก็ศูนย์สองเดือนที่ผ่านมาพวกเราชาวศูนย์ทำงานเหนื่อยกันนะเราปฏิบัติธรรมเช้าสายบ่ายเย็นเป็นปกติอันนั้นทิ้งไม่ได้มันเป็นวิถีเรานะพอศาลาลื้อศาลาหมดนะ ต้องไปบุกลุกเปียดเบียนพระคุณเจ้าใช้ศาลาท่านท่านก็ใจดีใจดีนะก็ให้เราใช้ศาลานั้นเดือนหนึ่งเพราะที่นี่ไม่มีวันหยุดราชการนะกินข้าวไม่มีวันหยุดนะไม่ใช่ถ้าวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์เราไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินข้าวด้วยไม่ต้องอาบน้ำด้วยเนี่ยโลกนี้จเจริญขึ้นนะประหยัดไปต้องเยอะแยะเลยนะเราหยุดไม่ได้มันเป็นวิถี การปฏิบัติทํารที่นี่เป็ น, ปนวิถีแล้วก็ไปขอใช้พื้นที่กงโนนนี่คือความปกติส่วนความไม่ปกติที่เกิดขึ้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันมีการสร้างศาลาใหม่นะเราลื้อหลังคาศาลาเก่านี่ยกขึ้นใช้เวลาเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้อง ให้เขามาขอคืนพื้นที่แล้วก็ขอก็คืนพื้นที่ให้พระคุณเจ้าท่านแล้วก็มาใช้ที่นี่ปฏิบัติในถ้มกลางเสียงเหล็กที่เขาสร้างศาลาใหม่กรินเชื่อมเหล็กนะทุกคนก็มีความอดทนมุ่งมั่นนะแล้วก็อันนี้คือปฏิบัติ ด, ด้วยนะแล้วก็การช่วยงานที่มันเกิดขึ้นใหม่ด้วยนะ แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องอพุ่งขึ้นมาในศูนย์อีกนะคุณยายแม่ปุ๊กเนี่ยเขาก็ได้จากไปนะก็มีงานพวกครูเรียกว่างานกุศลอีกงานหนึ่งเพิ่มขึ้นนะเราก็ได้ช่วยงานนั้นอีกนะคนมีกําลังก็ช่วยกําลังร่างกายคนมีกําลังทรัพย์ก็ช่วยกำลังทรัพย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็น่ารักมากสอวอรเราเนี่ยถึงไม่มีกำลังเนี่ยก็ไปให้กำลังใจกันนะมานั่งพับนกกระดาษนกตัวหนึ่งก็ได้อานิสงมันแสดงออกถึงความความรักในฐานะที่เราเป็นครอบครัวใหญ่นะคือบางคนมาอยู่นานแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจปัจชัครอบครัวใหญ่ธรรมดางานเขาว่างานศพคนตายเนี่ยมันเป็น อะไรนะมันเป็นโอกาสดีถ้าคนไม่มีปัญญาจะไม่รู้จักใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราไปขอขมาลาโทษกันนะไม่ต้องแบกไอ้สิ่งที่มันจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วทเท่านั้นข้ามภพข้ามชาติคนโง่เท่านั้นน่ะถึงจะหนีนะเพราะเขาไม่เข้าใจปัชญาของครอบครัวใหญ่นะคนมาที่นี่ทุกท่านนะมาที่นี่เพราะกูนับญาติหมด ทุกคนเป็นญาติพ่อครูเป็นญาติทรรมนอกจากว่าคนนั้นเขาไม่นับญาติพ่อครูอันนั้นก็ตัวใครตัวมันช่วยไม่ได้นะมาที่นี่โดยเฉพาะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเป้าหมายเราคืออย่างน้อยๆเนี่ยแน่นอนเรามุ่งสู่นิพพานส่วนมันจะถึงหรือไม่ไม่เป็นไรแต่ขั้นต่ำสุดเวลาเราจากไปเนี่ยไปสู่สุคตินอนไปแบบคนนอนหลับแบบตัวนิ่ม ถ้าพรครูถามว่าอยากตัวนิ่มหรือตัวแข็งไม่มีความมั่นใจแล้วไม่มีความมุ่งมั่นจะตัวแข็งโอเคก็ไม่มีเหตุผลต้องมาอยู่ที่ศูนนะมันเปลืองเข้าสุขพระแขปฏิบัติก็มีแต่คุยกันคุยกันนี่แหละตัวนิ่มไม่ได้เราไม่ได้ทำเล่นมันแก่ไปทุกๆวันนะอันนี้ก็เตือนเนะี่ยเรามีงานมงคลทํทำไมตายเป็นมงคลทํทำไมตายเป็นงานกุศล มันเป็นกุศลอย่างยิ่งนะวันนั้นพระอาจารย์เดชาก็ให้พรปุ๊กนะแม่ตายนะยินดีด้วยนะปุ๊กที่แม่ตายถ้าไปข้างนอกเขาจะไม่เข้าใจเอ๊ะมาแช่งฉันเหรือแม่ตายความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียเปลี่ยนจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งคนจีนเขาเรียกว่ากั่วเซิงคือเปลี่ยนร่างเราจะไปเสียใจทําไมนะ ที่นี่ไม่ได้ยืนไว้อะไรนะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเต้นเฉลิมฉลองในความสำเร็จของแม่ปุนะชาตินี้เขาสำเร็จแล้วเขาทำหน้าที่เขาอย่างสมบูรณ์คุณจะเก่งไม่เก่งอะไรก็ั้งหาเงินเป็นพันล้านแสนล้านก็ช่างนะโอ้วันตายนี่งานใหญ่มากแต่ว่าตายแข็งแบบนี้นะอันนั้นสอบตกแล้ว ชีวิตหนึ่งเราวัดกันที่วันที่เราจะไปนั่นแหละนะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายอยากก็ตายไม่อยากก็ตายตายแน่ๆมันต่างกันที่ตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองตายดีไปสู่สุกติตายชั่วไปสู่ทุกขติอันนี้คือบททดสอบว่าชาตินี้เนี่ยเราทำสำเร็จไหมสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้วัดที่ลาบยศสันเลิศเฉิญ วัดกันที่เวลานั้นอ่ะจิตมันวางได้ไหมนั่นคือความคนเก่งที่แท้จริงไม่ใช่เก่งวิชาการเก่งทางโลกสร้างวัตถุมากมายมีราบพุทธศาสนแต่ตายไม่ลงเนี่ยอาถือว่าสอบตกนะก็ศูนย์เราไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นเลยนะเป้าหมายพวกเราคือพ้นทุกข์นะถ้าไม่มีเป้าหมายที่พ้นทุกข์ล่ะมาปฏิบัติสมมติวามารักษาโลก รักษาอะไรเนี่ยนะพอรักษาไปเออโลกหายเราก็ไปซิ่งอีกไปสร้างกรรมใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่ารักษาแล้วครึ่งหนึ่งพอมันมันทวงหนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่มีความอดทนไงฉันทุกข์แล้วเนี่ยมานั่งทำไมทุกข์ทรมานอีกเนี่ยเราก็ทำต่อไม่ได้ถ้าไม่มีนิพพานเป็นเป้เปาเราสู้มานไม่ได้นะชีวิตเราไม่ใช่ของเล่นนะชีวิตพวกครูก็ไม่ใช่ของเล่น นะไม่ใช่ของเล่นที่อยู่ที่นี่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะไม่ได้อยู่เพื่ออะไรนะมีลมหายใจวันหนึ่งก็ให้วันหนึ่งชี้ทางพ้นทุกให้คนทุกคนส่วนจะพ้นหรือเปล่าเนี่ยมันปฏิบัติแทนกันไม่ได้นะก็ถือโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครั้งหนึ่งจริงๆแล้วสามสี่ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนเปลี่ยนแรงมากเปลี่ยนแรงมากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวัน แต่สองเดือนที่ผ่านมาบอกว่างานเราเยอะจริงๆแต่ว่าพวกเราไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรมีความสุขกับยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนอย่งางศาลามันใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวก็เต็มอีกก็วันนี้พวกก้ครูถือโอกาสในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วก็ขอจัดระบบนะที่นี้ไม่ตั้งระเบียบไม่ไปก้าวไกยอิสระของแต่ละคนแต่เราต้องมีระบบยกตัวอย่างว่าสังคมเนี่ย เขาแยกเพศนะเพศแม่เขาเรียกว่าผู้หญิงเพศพ่อเขาเรียกว่าผู้ชายเราปฏิเสธไม่ได้มันมีเพศนี่ถึงจะสมมุติก็ช่างแล้วตอนนี้าศาสนากาลังเสื่อมเพราะเราไม่ระวังเรื่องเพศอย่างเพศนักบวชก็มีหน้าที่ทำหน้าที่นักบวชนะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราถ้าเราไม่ชอบเราก็ออกมา <c oughs> แต่ถ้าเราอยากอยู่ถึงนั้นเราสทรยตต่ออาชีพเราก็ไม่ได้ต่อเพศนักบวชไม่ได้ เราเป็นเพศนักบวชจะเป็นภิกษุภิกษุณีก็แล้วแต่นะส่วนเราเกิดมาเราอยู่ในร่างผู้หญิงเขาเรียกว่าเพศหญิงเราชอบไม่ชอบก็ช่างมันก็เป็นเพศซึ่งสังคมเขาตั้งสมมุติเราอยู่ในร่างเพศชายทีนี้ถ้าเราไม่ระวังแล้วเนี่ยมันจะให้ทำให้เราผิดศีลการผิดศีลนี่ก็เป็นบาปนะเราก็ที่นี่เราเราวางระบบป้องกันเพราะครูไม่ได้ไปก้าวไกล ไม่สร้างระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์แม้แต่ข้อหนึ่งที่นี่เราอยู่แบบครอบครัวใหญ่ถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ปุ๊บมันจะมีคนผิดแล้วก็มีคนจับผิดทะเลาะเบาะแวงกันอยู่นั่นแหละนะที่นี่ไม่ต้องมีคนผิดไม่ต้องมีคนถูกเรามีอะไรก็คุยกันเพราะคูก็มีหน้าที่เตือนสติเป็นช่วงๆเอาเป็นว่าพูดเรื่องศาลานี้ก่อนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะก็เริ่มต้นจากว่าเนื่องจากเรามีเพศ เราต้องสำรวมระวังอย่าให้เราผิดเพศนะมันจะผิดศีลสังคมเขาจะว่าเอานะอันนี้ก็ทางเข้าเพศหญิงก็คือด้านนี้นะทางเข้าด้านนี้แล้วพอเข้ามาปึ๊บเรามีข้าวของ ส, สมภูรสตีเราเนี่ยสนมากเราไปไหนแล้วก็มีหิ้วไปด้วยนะถ้าฝึกเราจริงๆเนี่ยมาตัวเบาได้ไหม ถ้ามันจําเป็นต้องเหี้ยอะไรที่มันส่วนตัวแล้วเนี่ยโอเคให้แขวนอยู่ข้างหน้านั้นเลยจะมีที่แขวนให้เยอะๆอย่าวางบนพื้นตะเกียระกะ้นะมันลกแล้วก็มันเปืองที่สร้างใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอถ้าเราไม่ช่วยกันจัดระบบนะก็แขวนไว้ตรงนั้นแล้วอยู่ในสายตาเรามองหมดระวังนะอย่าชะล่าใจว่า ม, มาศูนย์เนี่ยทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติเป็นเป็นคนดีทั้งหมดไม่ใช่นะรู้หน้าไม่รู้ใจ มิจฉาชีพที่แฝงมาก็มีอยู่นะตอนนี้หลายวัดหลายวานี่แฝงไปด้วย น, น, นะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขโมยนะนะไปไหนก็เดินไปตัวเบาถ้าจคือเราไปไหนก็หิ้วด้วยไม่ใช่วางนะมันหิ้วนะก็แขวนไว้ตรงนั้นนะแขวนไว้ตรงหมดนะแล้วก็สอวอ ที่นี่สภาสูงนะท่านสวเนี่ยก็พื้นที่อยู่ข้างๆนั้นนะตรงที่นั่งอะไรพวกนี้นผู้อาวุโสนะก็กันไว้ดีกว่าแก้นะเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยพระครูอยู่ที่นี่ยี่สบกปีเราอย่าประมาทบางดวงจิตไม่เคยมาเลยไม่เคยปฏิบัติเลยปิงมันเข้าไปในจิตแล้วเป็นผู้ยิ่งใหญ่อารวาสใหญ่เลยถ้าเกิดผิดพลาดไปชนสวรเราเนี่ยมัน มันมันอันตรายนะเอาเป็นว่าสอวอนั้นอยู่ข้างๆนะอยู่ข้างๆปฏิบัติอยู่ข้างๆเมื่อไก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะเมื่อก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะนนนนะข้างๆนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็รวมกับพวกเราปฏิบัตินะแล้วส่วนผู้ชายนั้นเราเข้าทางประตูนี้แล้วต่อไปเครื่องดื่มด้วยอะไรน้ำดื่มก็อยู่ฝั่งนี้นะ แล้วก็ห้องน้ำผู้ชายก็อยู่ด้านหน้าออกไปประตูนี้เลี้ยวซ้ายไปตรงนั้นนะตรงนี้ไม่ให้ชายแล้วนะเพราะว่าคนมันมากขึ้นตรงนี้จะเป็นของสตรีทั้งหมดนะก็ตอนนี้แยกแยกนะส่วนห้องน้ำผู้หญิงเราก็ตรงนี้ห้องน้ำผู้ชายอยู่ข้างนอกนะผู้ชายก็เข้าตรงนั้นแล้วก็ศาลาเก่าเราก็แบ่งเป็นสองสองช่วง ช่วงข้างหน้าเนี่ยผู้ชายเราอัตตามากหน่อยหนึ่งนะต้องไปใกล้ๆพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งนะออพอพูดถึงพระพุทธรูปเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งนะเขามาปฏิบัติที่นี่นานแล้วช่วงสองเดือนที่มาความเปลี่ยนแปลงอาจารย์ปรมีก็เอาพระปางประถมเนี่ยก็มาตั้งไว้ตรงศาลาพระ เ, เดี๋ยวก็เอาปางประสูติตรัสรู้มามาตั้งอยู่ตรงหน้าเมน พหลั่งคนนั้นก็ถามพระครูว่าเขาเขาเขาไม่รู้เรื่องนะเขาถามพระครูหน่อยทําไมมีพุทธลูปเยอะจังเลยก็เหมือนเหมือนเขาไม่เข้าใจเขาต้องมีเหตุผลพระครูว่าพระพุทธรูปนี่ก็เหมือนลูบลูบเหมือนเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพุทธเจ้าเหมือนถ้าเรามีกระเป๋าสตางเรามีภาพ ค, คุณพ่อคุณแม่เราที่เรานับถื อ, อเหมือนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากําลังจะคิดทําชั่ว พอเรามองเห็นปุ๊บเรากลัวพ่อแม่เราทุกข์เราก็มีสตินะไม่ใช่เราก่าวไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเราก่าวไหวในฐานะแล้วลึกถึงรูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสเป็นสาระเป็นตัวเตือนสติเราเท่านั้นเองนะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะก็ผู้ชายเราก็เอาช่วงหน้านะครึ่งสาราที่ผ่านมาเนี่ย ถึงจะมีคนไม่มีคนก็ช่างคนเยอะก็ช่างผู้หญิงเราอย่าไปบุกลุกอย่าไปถือวิสาสะไม่มีคนก็ไปเต้นอยู่ตรงนั้นนะนะอุตส่าห์ยืดศาลามาทางนี้แล้วนะก็ของสตีเราเนื่องจากว่าถ้าพวกครูคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ น, นนะหลายปีมาแล้นะ่ะผู้ชายไม่ถึงสิบเปอร์เซ็ตทำไมชุกนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นอย่างนี้แหละผู้ชายเขามีทางออก เขาทุกข์แต่เขาไม่เห็นทุกข์เขาไปเที่ยวเตกบเกอนความทุกข์เขานะก็ตอนนี้แต่ผู้ชายที่หลงหลุดมาที่นี่ก็ถือว่ามีบุญเยอะนะส่วนมากหลุดมายากเพราะไปติดอบายยมุกก็ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องอยู่ ใ, ใกล้พุทธเจ้าหน่อยหนึ่งลดอัตตาตัวเองนะแล้วก็หันหน้าไปหาพระองค์เห็นตลอดเวลาอย่าหันมาทางนี้นะเดี๋ยวจะเห็นก้นเขานะเห็นก้นเขาแล้วก็ใจแตกอีกนะหันไปทางน้น ส่วนสติเราเนี่หันหน้ามาข้างหลังเนี่ยนะแล้วก็ไม่ชี้กระจายไปทั่วพื้นที่นะไม่ต้องไปอยู่กลุ่มใบคุณกระจายไปทั่วพื้นที่แล้วพวกเราพอปฏิบัติปึ๊บถ้าช่วงไหนมีอารมณ์ที่คิดว่าจะนั่งเฉยๆนั่งหมุนเฉยๆไม่เคลื่อนไหวหรือนอนเฉยๆออกไปข้างๆออกไปข้างๆแล้วเราจะไม่ต้องกังวลว่าเรานั่งเฉยๆเนี่ยมีคนจะดีๆถูกลุกหลงนะ เขหมุนติวติวติวตวตวมาเนี่ยโดนปีหลายๆปีพ่อคูโดนนะพอขึ้นเป็นเส้าหลินปุ๊บมันเตะป้าบเลยเนี่ยนะเขาซี่ซี้โครงเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่ทาเล่นนะแต่ตอนนี้พ่อครูสร้างกระสอบใส่ให้สี่ลูกเนี่ยจะเตะไปเตะไอเสานี่เลยนะมียางปิดอยู่พร้อมเลยนะแต่ที่นี้บางทีจิตเขาเข้าไปเร็วมากเขาคุมไม่อยู่ไงเราจะต้องไม่กังวลเราก็นั่งอยู่อยู่ขอบขอบทุกคนให้มีสติตรงนี้ ช่วยรักษาระบบนี้แล้วก็บังเอิญคนที่เขาจะขึ้นแรงเขาจะได้มีพื้นที่ทําเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไปชนใครแล้วพวกเราที่จะนั่งนิ่งๆก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกชนนะ น, นี่ช่วยกันรักษาตัวนี้เป็นระบบคร่าวๆน ะ, นะและทุกคนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไอ้เก้าอี้ตัวนี้พ่อครูเพิ่งนั่งครั้งแรกมันขัดแย้งมาในป่าปุ๊บมันมีโซฟาอะไรก็ไม่รู้พวกนี้นะมันขัดแย้งนะ นี่แหละเราก็สักแต่ว่าเห็นแต่ให้พราครูเอาเงินสักบาทหนึ่งไปซื้อสิ่งนี้แล้วมันซื้อไม่ลงแล้วก็มันไม่มีความจำเป็นเนี่ยบังเอิญว่าญาติทรรมนะเขามีบริษัทที่กรุงเทพเขาจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เลยเขาก็โทรมาถามแก้วว่าเนะี่ทีแรกพระครูเออไปลงที่ด่านเม่นด่านเม่นเป็นเรื่องของทางโลกอะไรเขาก็คิดว่าชุดสามสี่ตัวนะขนมาเต็มเลย ก็ไม่เป็นไรเมื่อมีแล้วก็เอามาใช้นะก็เราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงวัตถุนิยมมันเกิดขึ้นในโลกนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่อย่าไปหลงมันนะยอมรับความเปลี่ยนแปลงใช้บันทำประโยชน์แต่อย่าไปติดเหมือนเราติดแบรนด์เนมทุกวันเนี่ยนะเปลี่ยนรุ่นใหม่ปุ๊บก็หาเงินไปซื้อมันดีใจห้าวันมันเปลี่ยนรุ่นใหม่อีกแล้วตลอดชีวิตเนี่ยวิ่งหาเงินเพื่อไปซื้อรุ่นใหม่อันนั้นเราเป็นท่าของมันนะเอาเป็นว่า ระวางระบบเข้าๆแบบนี้นะก็ช่วยกัน เ, เรารู้อยู่แล้วคนมาใหม่ไม่รู้ก็ช่วยกันแนะนำนะช่วยกันแนะนำทุกคนมีสติอย่าถือวิสาสะต่างคนต่างดีนะเราจะนั่งนิ่งๆเราก็ไปนั่งข้างๆถึงแต่ถ้านอนนอนนิ่งๆก็นอนข้างๆเราก็ต้องอุ่นใจว่าจะไม่มีโดนลุกหลงนะบางทีเวทีให ญ, ใหญ่พอเรานั่งคนเดียวที่นี่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้แคบ แล้วคนที่เขาเหวี่ยงแรงๆเนี่ยมันก็ไม่สะดวกนะเขาก็กลัวว่าชนเราเราเองก็กลัวถูกชนนะก็มีสติก็แยกไปนะก็มันพื้นที่มันจะได้กว้างขึ้นนะอันนี้คือคือาวๆแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาคนมาใหม่ก็มีคำถามเก่าๆเพราะทุกคนต้องถามต้องสร้างความมั่นใจ น่าสร้างศรัทธาไม่งั้นก็ไม่กล้าปฏิบัติพวกครูก็พูดแต่เรื่องเก่าๆบางเอิญความเปลี่ยนแปลงคุณวันนสิงประเสริฐกุณมาทำสารคดีที่นี่อยู่กับพระครูหกวันเขามาต่อยอดเขาเคลียปัญหาที่พวกครูบอกแก้วอยู่ละแก้วทำสื่อทำสื่อน่าต่อไปเนี่ยให้เขามาดูนะบางเอิญคุณวสิงนี่เคยเก่งมาก เขาเป็นคนหนุ่มที่สี่ห้าปีมาทำรายการเรื่องจิตวิญญาณไปทั่วโลกทุกศาสนาไปสัมผัสองค์ดาไลาลามะนะอาจารย์ติดนัทธันอะไรคนระดับโลกแล้วเขามีพื้นฐานความรู้ทางด้านจิตวิญญาณพอสมควรไม่ใช่เรื่องศาสนาพุทธอย่างเดียวไม่ใช่เทรวาตเลยอย่างเดียวนะเขามีข้อมูลตรงนี้นะที่ผ่านมาหลายปีเขาเคยประกาศว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนา นะตอนเขาไปเข้าคอร์สอาจารย์ติณธันเนี่ยคือไม่ใช่เขาไปสัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาไปคุกคีเขาไปปฏิบัตนะิเขาเป็นคนที่ว่าไปลองดูก่อนนะแล้วก็สัมภาษณ์ตอนนั้นเขาบอกว่าเกิดมาเขายอมรับศินสองข้อนะเขามีศินห้าข้อห้าข้อของเขาเป็นสินที่พัฒนามาให้มันทันสมัยใหม่เพราะว่าอาจารย์ติณธนันท่านอยู่ยุโรปอยู่ฝรั่งเศส คนฝรัง่งเศสไม่ใช่เหมือนคนไทยเราถูกอบรมว่านอนสอนง่ายทุกอย่างเขาต้องการเหตุผลนะแกก็พัฒนาวิธีสอนให้มันทันสมัยพระภิกษุในสายท่า น, นเต้นฮิปฮอปนะมนเล่นสงการที่เมืองไทยสาด น, น้ำกันนะซึ่งสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะสำคูพุทธลอยเนี่รับไม่ค่อยได้แต่วันอังสิงเขาก็ไปสัมผัสตอนนั้นน่ะ คนหนุ่มคนนี้เนี่ยเขายอมรับสินสองข้อเขายอมรับในเหตุผลเขาบอกเขารับแค่สองข้อแต่พอมาศูนย์เสร็จหกวันเขากลับไปตอนนี้คนถามเขาว่าคุณนนมนัสิงมีศาสนาหรอเปล่าก็ปัจจุบันนี้เขานับถือศาสนาพุทธแต่เขาไม่นับถือแบบหลงงมงายนะยุคนี้เป็นยุคทันสมัย คนรุ่นใหม่เขาต้องการเหตุผลไม่ใช่คุมถุงชนฉันบอกเธอเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวขวาว่านอนสอนง่ายมันเหมือนดีเหมือนคุมได้แต่มันไม่เกิดปัญญามันไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะกลัวมันถึงเวลาแล้วที่เขามาต่อ ย, ยอดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรักษารูปแบบใดๆมาเรียนวิชาใดๆทั้งนั้นเราเกิดมาเป้าหมายคือเดินทางต่อพ้นทุกข์เพราะเราเดินมาหลายชาติแล้ว อันนี้คือเป้าหมายของการเกิดนะพระเจ้าก็พูดชัดเจนว่ามรรคผลนิพพานไม่ใช่สติผลนิพพานไม่ใช่สมาธิผลนิพพานแต่ตอนนี้ไปที่ไหนก็ฝึกสติฝึกสมาธิก็ไปคิดอยู่กับสติอยู่กับสมาธิเพราะครูเน้นบ่อยๆบอกว่าโจรก็มีสตินะโจรก็มีสมาธินะมันก็มันป้นไม่สําเร็จมันมีสติมันมีสมาธิ มันยิ่งใช้สมาธิมากกว่าคนทั่วไปอีกเพราะมันต้องระวังมากกว่านะมันต้องใช้สติมากกว่าอีกแต่โจรมันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญานะมันไม่ได้จบอยู่ที่สติไม่ได้จบอยู่ที่สมาธินะต้องเจริญมรรคผลนิพพานแต่การเจริญมรรคต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยเดินทางเหมือนเราหลงป่านั่นแหละ สิ่งที่เราต้องทำคือต้องเดินทางออกจากป่าให้เร็วที่สุดไปฝึกวิชานะวิชานี้ให้เสือมันมากินไฟไหม้ป่าแล้วก็ตายแล้วตายในป่าวัดตาสงสารมาหลายรอบแล้วไม่ใช่เกิดมาเรียนวิชาใดๆทั้งนั้นเกิดมาเพื่อเดินทางต่อทางไปสู่การบรรทุกก็คือมักมีองแปดแต่มักมีองแปดมีข้อกากับแปดอย่างที่บูเจ้าเตือนเราว่า ต้องอยู่ในข้อจำกับแปดอย่างนี้ถ้าบอกมักง่ายบอกมักแปดมักแปดมักแปดถ้าพูดอย่างนี้มันเหมือนมีแปดทางมีแปดทางไม่ใช่นะมีทางทางเดียวเท่านั้นแต่มีข้อจำกับแปดข้อมักมีองค์แปดนะไม่มีทางอื่นมีทางทางเดียวเท่านั้นแต่มีข้อจำกับแปดข้อ นะข้อกำกับแปดข้อนี้ถ้าเกิดชีวิตเราทำอะไรสักอย่างเราไม่แนใจให้มันถูกัหมอยู่ในมรรคในทางไหมเราบอกว่ามันขัดแย้งกับข้อใดข้อหนึ่งหมถ้าขัดแย้งกับข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ใช่มรรคนะมรรคมีองค์แปดส่วนอันนั้นมรรคภายนอกเอาศีลมากำกับมาบังคับเรา อย่าทำชั่วนะมันจะผิดศีลเหมือนเด็กๆยังเข้าไม่ถึงศีลศีลมันไม่ไม่ได้เกิดในจิตเราเราก็ต้องถือศีลก่อนเอาศีลมาเตือนสติเราแต่สําหรับพวกครูนะสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกไม่มีศีลเลยถ้าศีลํากับแบบศีลห้าศีลแปดศีลสิบปัจจโมกไม่มีศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรพ่อครูทําหมดนะเที่ยวเตะตามภาษาคนหนุ่มกินเหล้าทุกยี่ห้อสู่บุรีวันหนึ่งสามสี่ซอง เพราคูเริ่มจากสมาธิสมาธิสามชั่วโมงนั้นน่ะมันระเบิดปุ๊บพอมันเกิดปัญญาปุ๊บมันเป็นศีลทั้งหมดมันคืนสู่สภาวะจิตเดิมเรามันเป็นศีลอยู่แล้วนะเหมือนทาสานเนี่ยเขาก็มีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่ต้องถือศีลทุกวันนี้มือถือสากปากถือศีลถือถือหลุดหุดมันไม่ใช่ศีลที่แท้จริงนะถ้าจิตมันเป็นปกติแล้วเนี่ย มันไม่ทําชั่วหรอกเพราะมันไม่มีความอยากมันไม่มีเหตุผลต้องไปทําผิดศีลแต่เมื่อเราจิตมันเปื้อนแล้วเราก็ต้องอาศัยศีลเหล่านี้มาเตือนสติก่อนนะเป็นศีลวินยัยอย่างมรรคบีองแปดเมื่อกี้พูดแล้วมันสําคัญมากนะรู้แค่นี้ก็พอเอาทางไปสู่การพ้นทุกข์นะทุกสมุทยัยนิโรธมรรคผู้เจ้าบอกอายะสัตสี 4, ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการผู้ยอดตัดสิรู้แค่สีอย่างนี้ ส่วนแตกแขนงไปเป็นเป็น 100, 000, 000, ร้อยเล่มพันเล่อก็ช่างเนี่ยมันเป็นธรรมะย่อยธรรมะยิ่งใหญ่มีแค่นี้ผู้เจ้าบอกให้เรารู้ว่าเรามีทุกข์เป็นประธานเกิดมาวันแรกมันก็แหกปากร้องแล้วมีเด็กคนไหนเกิดมามันหัวเราะดีใจจังเลยฉันได้เกิดแล้วฉันอิสระแล้วมันน่าจะหัวเราะนะอยู่ในท้องแม่อึดอัดไม่อิสระเกิดมามันน่าจะหัวเราะมันร้องไห้ทาไมนะสัญชาตยาน ยานรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไร ท, ทุกทุกทีจากนี้ไปฉันทุกข์แล้วมันก็ร้องไห้ทุกพราะเกิดเรามีทุกเป็นประธานนะผู้เจ้าสอนให้เราว่าอะไรคือตัวทุกขอะไรคือเหตุแห่งทุกขนะทุกสมุทยัยคือตัวสมุทยัยคือตัวตัณหาเนี่ยคือที่มาของทุกนะ นิโรธหรือนิพานเนี่ยคือความดับทุกข์ท่านพูดให้เรารู้ว่าสามข้อนี้พูดให้เรารู้เฉยๆว่าอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์ข้อที่ต้องปฏิบัติคือมักหนทางไปสู่การพ้นทุกข์อันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้พระพุทธเจ้ามีหน้าที่บอกให้เรารู้แต่สาวกทั้งหลายมีหน้าที่ทาให้มันเห็นแจ้งแล้วก็เข้าถึง ไม่ใช่เอาความรู้ที่ไปท่องจําที่ผู้เจ้าพูดมาแล้วก็มาว่าคนนั้นคนนี้ผิดผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอ้างคําสอนผู้เจ้าก็ไปจับถูกจับผิดของฉันแท้ของเธอเทียมถ้ามีแท้มีเทียมเมื่อไหร่ไม่ใช่พุทธพุทธอยู่สายกลางถ้าของฉันถูกของเธอผิดนี่ไม่ใช่พุทธนะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วถูกผิดดีชั่วมันเป็นภาษามนุษย์บางอย่างคนไทยบอกว่าถูกฝรั่งมันบอกว่าผิด ธรรมะมันไม่มีภาษาตอนนี้เราไปติดความรู้แบบภาษาเอาภาษามาตั้งโจ์ขัดแย้งกันเพราะครูไม่ทำนะเอาเป็นว่าให้เรารู้ว่ามรรคคืออะไรรู้แค่นี้นิพานอยู่ใกล้ๆทุกวันนี้ไปอ่านพระไตรปิฎก100ร้อยเล่มจาก100ร้อยเล่มเปลี่ยนเป็นสี่สิบห้าเล่ม ย่อลงมาให้มันอ่านง่ายหน่อยไปท่องจำเรียนจนจบด็อกเตอร์แล้วมานั่งทะเลาะกันนิพานเป็นอัตตาอนัตตาอันนั้นเป็นแค่องความรู้เป็นแค่ความเห็นมันไม่ใช่ความจริงเรามีหน้าที่เอาความรู้ที่ผู้เจ้าบอกเราเนี่ยมาสังเคาะมาปฏิบัติให้มันรู้แจ้งให้มันเข้าถึงนี่คือหน้าที่พวกเราไม่ใช่ไปจาความรู้นั้นแล้วก็มานั่งชี้ถูกชี้ผิดคนอื่น ผู้เจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเธออ่านเยอะเธอจําแม่นเธอก็ไปว่าเขาทําผิดคนที่ไปว่าเขาทําผิดเนี่ยเธอเป็นผิดอย่างยิ่งเธอสร้างวัจีกรรมแล้วเห็นไหมตอนนี้มันเป็นหลงความรู้ไงเพราะยังเข้าไม่ถึงความจริงนะให้พวกเราเข้าใจนะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ารู้ว่าเราเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนไอความสุขจริงๆมันคืออะไรนะที่ผู้เจ้าบอกนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความสุขจริงๆ ความสุขเพียวๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือนิพานเท่านั้นส่วนชีวิตเราสุขสุขดิบๆนั้นน่ะมันเป็นแค่ความพึงพอใจความสะดวกสบายความสะใจมันไม่ใช่สุขอย่างนั้นเพราะสุขแบบเราสะใจเรามีปุ๊บเราก็สุขพอเขาแย่งไปเราก็เลยทุกมันเป็นของคู่แต่ถ้านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งในี่ใครเปลี่ยนก็ไม่ได้ใครเปลี่ยนก็ไม่ได้นะ อันนี้คือผู้เจ้าชี้ให้เราเดินไปตรงนั้นนะก็มักมีองค์แปดมีข้อกากับแปดข้อนะเขาเขียนขึ้นมาเห็นชอบนะก็เห็นชอบด้่มดีชอบสองข้อนี่เป็นตัวปัญญาวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นเรื่องของศีลศีลมีแค่สามข้อถ้าจะไปนิพพานเนี่ยทำแค่สามข้อนะ วาจาชอบพูดแต่เรื่องเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นถ้าเป็นประโยชน์ปุ๊บเป็นการให้ธรรมทานแต่ถ้าเป็นดา่าเขาปุ๊บเป็นวจีกรรมนะเป็นการให้ทานแล้วไม่ขี้เหนียวความรู้ทุกวันนี้ขี้เหนียวไม่ขี้เหนียวคนพบวิจัยปุ๊บอุลิษิตไว้ข้าเพาเจ้าแต่เพียงผู้เดียวให้ไม่ได้ไงนะพวกนี้ก็แบกความรู้จุดนั้นแล้วแหละ นี่คือการให้ธรรมทานเท่าเราพูดเป็นประโยชน์เป็นการให้ธรรมทานเราก็ได้บุญอย่างยิ่งนะแต่ถ้าเราไปด่าเขาก็เป็นวจีกรรมอย่างยิ่งนะเลือกเอานะนี่แหละศีลมีแค่สามข้อไม่แบ่งชั้นวันนะไม่ว่าจะเธอเป็นอาชีพอะไรเป็นนักบวชที่ไหนเป็นชนชาติใดถ้าจะไปนิพพานทําศีลแค่สามข้อวาจาชอบอาชีพที่เราทํานี่ อาชีพชอบคืออะไรดูไหมไม่ใช่เออฉันพูดตรงไปตรงมานะฉันไม่โกหกเธอนะแต่ไม่มีวากินข้าวไม่มีเวลาอาบนะ้าไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉันทำความโลภไม่ใ ช, สมมช่สัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นถ้าทำแล้วตัวเองทุกเนี่ยก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะนะอาชีพอาศัยยางชีพคืออยู่ได้ไม่ตายเท่านั้นเอง ไม่ใช่ไปเล่นไม่ใช่เล่นเกมรวยกันเหมือนทุกวันนี้เพราะความรวยมันไม่ได้แปลว่าสุขความรวยคือมีมากขึ้นจนไปว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าทุกรวยเพราะว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุขนะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กับมันแต่ถ้ามันจำเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันนะเราทำอาชีพเพื่ อ, อย่างชีพคืออยู่ได้ไม่ตายนี่คือสัมมาอาชีวะ ข้อที่สองจริ ง, รงๆแล้วศีลมีแค่ข้อเดียวคือการกระทำชอบข้อนี้รวมหมดแล้วนะการกระทำชอบการกระทำโดยพูดการกระทำโดยความคิดอะไรก็ช่างถ้าให้มันชอบคําว่าชอบคือพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเราทำอะไรก็ช่างไม่มีใครเดือดร้อนแค่สามข้อนี้แต่ต้องมีการกระทานะศีลห้าให้ทาอะไรบ้าง ฮะมีทำไหมไม่นั่งเฉยๆนะไม่ฆ่าสัตว์นั่งเฉยๆไม่พูดปลดนั่งเฉยๆไม่พูดใช่ไหมไม่ผิดศีลในกา ร, รมไม่ไปคงเหงใครฉันนั่งเฉยๆสูงสุดเป็นแค่คนไม่ทำชั่วเท่านั้นเองไม่จะเกิดบารมีได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่ทำนี้ก็ไม่ทำก็เป็นง่อย ถ้าเราทําได้เท่ากับอะไรไหมเท่ากับไอ้โต๊ะตัวนี้ไงเกิดมาเป็นคนทําไมแต่ตัวนี้เป็นตัวเตือนสติไว้อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปสร้างกรรมใหม่ต น, นเองไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าลําพังแค่นี้เน่ะมันไปนิพพานไม่ได้หรอกนะถ้าลําพังศีลห้าเนี่ยที่พ่อกรูบอกทาสานมันก็มีแล้วไงทาสานมีศีลห้าเต็มเปี่ยมนะมันไม่ต้องโกหกเลยมันภาษามันก็พูดไม่เป็นไง ที่เราโกหกเขาเพราเราอยากได้ของเขาไงเมื่อมันไม่มีความอยากได้ทํามันไม่ต้องโกหกล่ะเห็นไหมมันไม่รู้ว่าเล่าคืออะไรมันจะไปกินทําไมล่ะศิลคือความปกติของจิตมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันหายไปไหนทุกวันนี้ถูกบังคับถูกขอร้องให้ต้องถือสินห้าถือถือหลุดหลุดมันไม่ใช่สิลที่แท้จริงนะพราะครูไม่กลัวใครพูดไม่กลัวใครว่าเพราะครูพูดความจริง ยีปีพ่อครูมาอยู่ที่นี่พ่อครูไม่ถือศีลอะไรเลยมันหนักเวียนทิ้งหมดแต่พระครูไม่ทําชั่วแน่นอนมันไม่มีความอยากแล้วมันทําไมมีเหตุต้องไปผิดศีลล่ะใช่ไหมมันไม่มีอนาคตแล้วแม้กระทั่งคิดเป็นไม่ต้องคิดเลยไม่ใช่คิดบวกนะมันไม่คิดเลยจะไปคิดบวกทําไมทุกวันนี้สอนคิดบวกกันดังกันไปทั่วโลกสองกิเลสทั้งนั้นแหละบางคนถามว่า มีครูบาอาจารย์สอนคิดบวกคิดบวกไม่มีไม่ดีอะไรคิดพุกก็เป็นมโนกรรมแล้วไงเป็ดพิเศษได้ั้มที่คุณคิดบวกเนี่ยไม่ใช่เพราะคุณอยากได้แล้วใช้ความคิดบวกสนองตันหาเราก็ตันหาเป็นที่มาของทุกไงคิดบวกก็อยากได้อยากได้กว่าคิดลบอีกนะเขายกตัวอย่างแม้กระทั่งว่าไปชกมวยแต่คิดว่ากูแพ้แน่เลย ก็บอกเธอแพ้ตั้งแต่ในมุงแล้วชนะชนะทุกคนก็ชนะบังเออไอ้นี่ก็คิดบวกคิดบวกมันชนะทั้งคู่ขึ้นไปปุ๊บมันก็คิดบวกคิดบวกต้องมีแพ้คนหนึ่งใช่ไหมพอแพ้พวกไอ้คิดบวกบางที่ฆ่าตัวตายเลยนะมันผิดหวังไงแต่ไอ้คนคิดลบว่ากูแพ้แน่ๆเลยผมแพ้ปุ๊บก็ธรรมดาไงมันเตรียมใจไว้แล้วคิดบวกเลวร้ายยิ่งกว่าคิดลบอะไรทํำยังไงแก้ยังไงก็แก้โดยคุณอย่าคิดลบได้ไหม คุณไม่คิดลบคุณก็ไม่ต้องคิดบวกคุณมีหน้าที่อะไรคุณก็ทำไปทำอย่างตั้งมั่นอย่าไปติดที่แพ้ชนะคุณเป็นนักมวยคุณก็ชกให้มันดีที่สุดอันนี้ไม่ใช่เราคิดบวกเพราะเราอยากชนะเราอยากได้อันนี้เป็นตันหาอย่างยิ่งตอนนี้สอนกันอย่างนี้ไงกิเลสมันชอบไงสะใจไงแต่พ่ะครูไม่ชอบเพราะมันไม่ใช่หนทางพทุกข์ มันเป็นการสร้างอุปทานใหม่ปอบใจตัวเองเพื่อสนองกิเลสเราฮะถ้าคุณแค่ไม่ต้องคิดลบเฉยๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องกลัวอะไรคุณก็ทำหน้าที่คุณให้ดีที่สุดไงถ้าไม่ต้องคิดลบก็ไม่ต้องคิดบวกทำห้พวกครูรู้เรื่องนี้ยี่สบหกปีมันไม่เคยใช้ความคิดเลยคนเราคิดเพราะเรามีอนาคตเราจึงคิดไงคิดวางแผนคิดอยากได้ แต่ถ้าเราไม่มีอนาคตเราจะไปคิดทำไมไม่ต้องคิดหิวก็กินง่วงก็นอนเวลาเต้นก็เต้นเวลาลําก็ลําสนุกสนานมีความสุขคิดให้มันทุกข์ทำไมคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นไปคิดให้ตัวเองทุกข์ทำไมคิดจนนอนไม่หลับคิดจนเป็นมะเร็งคิดจนเชียด ว้าวุ่นก็เป็นมะเร็งภุ่มคุ้มกันมันทํางานไม่เต็มร้อยเนี่ยยุคนี้เนี่ยเราอยากได้เราจึงคิดทาษามันไม่ต้องคิดหรอกเอาไม่คิดทํางานได้เหรอือทำไมทํางานทําไมต้องคิดล่ะตํารวจจับไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ผิดสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่กฎหมายก็บอกใครไม่คิดนะ่ยติดคุกติดตารางนะเขาไม่ได้พูดสัหน่อยหนึงความอยากเราถึงคิดไง คนคนไม่คิดกายเป็นคนคิดไม่เป็นเป็นคนโง่อันนั้นคือเราสมมติฐานผิดเราเข้าใจชีวิตผิดเพราะเราอยากได้เราอยากสมเด็จนั่นแหละนะสมเร็จแปลว่าเสร็จแล้วคิดจนวันจะตายยังคิดสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยมากก็ลงไปนอนข้างๆมีร้อยชัน้นอนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ ลุกขึ้นมาอีกกัดฟันสู้ทนสร้างสร้างสร้างสร้างถึงเกบเ้าชั้นไม่มีแรงจริงๆอีกแค่ชั้นเดียวเสียดายมากมองมันเขาเราียกว่าหมาเห็นเขาเปือกเนาะนะนะกินก็ไม่ได้แต่ไม่ยอมแพ้ไงกลัวสู้ไม่ได้ยังเรียกลูกเลี้ยงหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเรารุ่นต่อรุ่นมันก็ตายตัวแข็งไงสุดท้ายสอบตก เราจะไปดูใครว่าชาตินี้เนี่ยชีวิตนี้เนี่ยเขาสาเร็จหรือไม่ดูวินาทีที่เขาตายนั่นแหละเราเรียกว่าตายตายตายภาษาไทยเรียกว่าตายภาษาจีนเรียกว่ากู้เซิงคนจีนแต้จิ๋วเรียกว่ากล้ยซิงคือเปลี่ยนร่างแต่คำว่าตายเราไปหมายคุณว่าเราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราไปตีความเองนะ ตายไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นสักหน่อยหนึ่งแต่เราไปเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นก็ไปร้องไห้กันวันนั้นพ่อคูไม่รู้ว่าใครญาติธรรมเราคนหนึ่งยังอยู่ที่ใจอยู่นะพราะฝึกไปฝึกมาก็ยังอยู่ที่ใจอยู่นะไปหน้าบ้านปุ๊กไปบอกว่าแม่ก็เสียแล้วก็เข่าอ่อนร้องไห้อยู่ทตอนนั้นนะะแทนที่ปุ๊บมันจะร้องไห้มันไปปอบใจอย่าร้องอย่าร้อง แสดงว่าเราปฏิบัติธรรมที่นี่เราไม่เข้าถึงเลยเราไม่เข้าใจเลยเราปฏิบัติทาไมเห็นไมความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียเราไปร้องไห้กับเราไปเสียใจกับความสัาเร็จของเขาเหรอถ้าสมมติว่าให้ยายนวยเนี่ยต่ อ, อยุคไปอีกห้าปีดีใจดีใจ แต่พอห้าปีหลังเนี่ยบังเอิญว่าติดบ่วงไปตายแบบตัวแข็งเนี่ยดีใจไหมจะอยู่ไปทำไมไปอยู่ให้มันสอบตกอย่างนั้นไม่ควรอยู่นะไม่ใช่อายุยืนก็ดีนะอายุยืนเนี่ยสร้างกรรมมากขึ้นเนี่ยชีวิตนี้ขาดทุนไปเร็วๆดีกว่าไม่ใช่อายุสั้นไม่ดีอายุยืนดีไม่ใช่แต่ถ้าอายุยืนแล้วมีโอกาส ปฏิบัติธรรมเดินทางมากให้มันถึงมากที่สุดนั่นอันนั้นดีแต่ถ้าอายุยืนแล้วก็สร้างกรรมมากมากเนี่ยพระครูเตือนนะถ้าใครทะนงตัวว่าฉันจะตายตัวแข็งเรื่องของฉันไปอยู่ที่อื่นเสียชื่อพระครูแล้วพระครูไม่เผาด้วยนี่คนถือดีไงมาสร้างกรรมที่นี่หนักนะ ไปสร้างการถือไม่เป็นไรไงเพราะทุกคนเป็นแบบนั้นที่นี่เขามุ่งมั่นมีเราคนเดียวไม่มุ่งมั่นเนี่ยเป็นกรรมักเรามาทําลายระบบครอบครัวใหญ่เขานะใครไม่พร้อมอย่ามานะแต่ถ้ามาแล้วมีเรามีเป้าที่มันชัดเจนเขาเราียกว่ามีสัมมาทิฏฐินะส่วนเราจะทําได้แค่ไหนไม่ได้ว่ากันเพราะครูเมตตาอยู่แล้วไม่เมตตาเนี่ยจะไม่อยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะ ไม่ใช่อยู่นี่เหมือนรีสอร์ทมาอยู่ฟรีกินฟรีอะไรเฉยเฉยเนี่ยมันดีมันดีอย่างไงไม่ใช่นะก็ให้ทุกคนไม่เป็นภาระอย่าไปห่วงมีอยู่มีกินไม่ตายแน่ๆพวกเราถ้าทําดีแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงด้วยไม่มีเงินสักบาทหนึ่งก็มีคนเผาศพให้แล้วไม่ใช่เผาธรรมดาเผาอย่างมีพอกูไม่อยากว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างนั้นมีคุณค่าในชีวิตคนสําเร็จพกกูนับญาติไง เป็นญาติพอคูหมดอ่ะแต่ถ้าใครไม่รับญาติกับพวกกูเนี่อันนั้นก็ตัวใครตัวมันอย่ามาทำลายระบบครอบครัวใหญ่ที่นี่ก็แค่นั้นเองนะส่วนเราทำได้แค่ไหนไม่ได้ว่ากันหรอกขอให้มุ่งมัน่นมีแต่ให้กำลังใจกันนะพวกกรูยิ่งเห็นผู้เท่าผู้แก่ผู้อาวุโสนี่มุ่งมัน่นปฏิบัตินี่ชื่นชม เราเหลือเวลาวันหนึ่งเราก็ปฏิบัติวันหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ไม่ใช่ทำเล่นๆทำไปวันๆหนึ่งนะก็สักแต่ว่าพูดโน่นพูดนี่แล้วก็พูดในเรื่องที่มันมันไม่ใช่แนวทางเพราะว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองนะอันนี้เป็นกรรมหนักนะไปทำที่อื่นยังไม่เป็นไรนะเพราะที่อื่นเนี่ยเขาเขาก็ไม่มีเรื่องพวกนี้อันนี้เรามาทาในจิต สิ่งแวดล้อนที่มันบริสุทธิ์เราเป็นคนทําให้มันเปื้อนเนี่ยมันเป็นกรรมหนักคนอื่นไม่รู้จิตมันบันทึกสัญญาไว้แล้วไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็เตือนเตือนเตือนกันหลายครั้งแล้วก็ไม่เอาไงถือดีไงอะไรกันนักหนาหรือบอกอย่างนี้นะไม่ใช่สถานที่มาเสพสุขแบบนั้นนะเป็นสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือให้พวกเรามีโอกาสเดินทางส่วนเดินได้แค่ไหนเนี่ยมันอินทรีย์พลังมันไม่เท่ากันเราไม่ว่ากันไม่เคยมีข้อบังคับใดๆเลย ทำไปทํามาไม่รีเรียนรู้อะไรเลยเนี่ยมาสร้างกรรมอีกอันนี้ไม่อยากให้ทําอย่างนั้นนะอันนี้ ก, ก, ก็ก็เตือนกันนะมีโอกาสแล้วเนี่ยพวกเราไม่มีบุญเก่าไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่หรอกเรามีบุญมหาศาลอยู่แล้วนะก็เมื่อกี้นี่พ่อครูก็พูดถึงเรื่องศีลสามข้อวาช่อชอบอาชีพชอบการกระทำชอบศีลมีแค่สามข้อศีลในการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกทําแค่สามข้อนี้ง่ายๆ ทุกวันนี้เรียนอนุบาลเรียนประถมยังถึงเจ็ดแปดหมวดวิชาท่องจาไปสอดเป็นด็อกเตอร์ยังทะเลาะ ก, กันอยู่ทำแค่สามข้อเนี่ยนิพานอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็ความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบสามข้อเนี่ยเป็นส่วนของสมาธิเห็นไหมเป็นขวัของสมาธินะสติเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิไม่ใช่พระเอกทีนี้สมาธิเป็นตัวสุดท้าย บางคนไปบรรยายเรื่องมรรคบีวงแปด่าเออเธอถ้าเธอมีสัมมาทิฏฐิเธอเนี่ยแล้วสมาธิเธอจะดีไม่บรรยายอย่างนั้นนะนะอันนี้แสดงว่าคนไม่เข้าถึงส ม, มาธิเป็นทุนติยจะเป็นตัวเริ่มต้นเหมือนตึกแปดชั้นเนี่ยเป้าหมายเราคือชั้นแปดไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยตอนนี้เราสอนว่าเธอต้องมีสัมมาทิฏฐินะเด็กๆต้องมีปัญญานะมันจากมาอย่างไหนปัญญาคือเป้าหมายสูงสุด ถ้ามีปัญญาแล้วไม่ต้องปฏิบัติอันนี้ไปแปรแบบนั้นไงเริ่มจากสมาธิพระครูเริ่มจากสมาธิไม่มีศีลแบบนั้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นสงบนิ่งแล้วเนี่ยความศีลก็เกิดขึ้นไงศีลคือความปกติของจิตเหมือนน้ามันิ่งเห็นไหมพอมันนิ่งปุ๊บมันความที่จเจริญปัญญานะ เมื่อสมาธิตั้งมั่นมันก็เป็นศีลศีลพร้อมที่จะดเลยเหมือนน้ามันนิ่งฝุ่นละอองเบ็ดนึงร่วงลงมาเราก็สัมผัสได้เห็นไหมใบไม้ร่วงมาเราก็สัมผัสได้แต่ถ้าเราไปเล่นกระดานโต้ขึ้นเห็นไหมเรามีตั้งมั่นก็เล่นกระดานโต้คลื่นกลัว ม, มันลม้มเขาโยนหินลงไปเราก็ไม่รู้เลยอันนั้นเป็นแค่สมาธิมีมีสตินะเล่นกระดานโต้ขึ้นแต่ไม่มีศีลไงเพราะจิตมันกระเพื่อมเขาจะทําร้ายเราก็โยนหินไป ต, ตุ้มตั้มเราก็ไม่รู้สึก แต่ถ้าเรามีสมาธิเป็นเบื้องต้นนะสมาธิมันก็เกิดสตินะเกิดสติเกิดความเพียรแล้วก็เกิดศีลที่นี้พร้อมที่จะเจริญปัญญาปัญญาเป็นตัวเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เป็นตัวเริ่มต้นอันนี้ไปยึดยึด ย, ด ย, ด ย, ดยดึหลักทางปัญญาเธอต้องมีปัญญานะมันจะามาจากไหนล่ะถ้ามันมีปัญญามันก็ต้องมาปฏิบัติไงเด็กๆต้องมีสัมมาทิฏฐินะมันจะามาจากไหนนี่เราสอนกันแบบนี้ไง เพราะเราไปอ่านตามตำราเขาเขียนตัวนี้ขึ้นก่อนก็ไปแปลแบบนั้นพอมาสอนไตรสิกขาสินสมาธิปัญญาเขาเขียนสินขึ้นก่อนเธอต้องมีสินเป็นเบื้องต้นอีกถ้าไม่มีสินเป็นเบื้องต้นสมาธิไม่เกิดสมาธิปัญญาไม่เกิดก็เอาอีกแล้วมักมีองค์แปดเนี่ยคือขยายมาจากไตรสิกขาศินสมาธิปัญญาแต่ศินในที่นี้เนี่ยของไตรสิกขาคือศินวิัย โอเคเรามาเที่ยวนี้ถามว่าตกลงกันไหมให้เราเอาสินห้าดีสินแปดดีเป็นข้อตกลงกันเป็นศินในการอยู่ร่วมแต่การปฏิบัติจิตเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสมาธิสมาธิพ่อครูพิสูจน์ด้วยชีวิตของพ่อครูเองเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราเราถึงมาพูดไม่ใช่ไปจำมาตีความเข้าข้างทิฏฐิมานะไปคาดคะเนนะ เรามีมุมมองกับความจริงที่ผู้เจ้าผู้เจ้าพูดออกมาเป็นความจริงที่พระองค์เป่งออกมาแต่มันเป็นภาษาแล้วภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นเราก็มุมมองไปตีความความจริงนั้นน่ะตามมุมมองเรามันเป็นแค่ความลวงเป็นแค่ความเห็นมันไม่ใช่ความจริงเรามีหน้าที่เอาความรู้ที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยมาปฏิบัติให้มันเข้าถึงผู้เจ้าบอกว่าท่านจงมาดูเถิด ปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตเห็นธรรมไปว่าอะไรเขาคิดว่าเขาอยากเห็นธรรมเขาก็ไปอ่านหนังสือท่องจําจดด็อกเตอร์เลยแม้กระทั่งคําว่านิพานสะกดไม่ได้ผิดเลยนะคนยังแปลว่าอัตตาคนยังแปลว่านัตตาเนี่ยอมันเห็นธรรมแบบนั้นเลยทั้งว่าไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวหนังสือไม่มีภาษาเห็นธรรมคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรค ผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนั่นแหละเราจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้สิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้แต่พระองค์ใช้หลักภาษามาบอกเราแค่ท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เจ้าไม่ได้บอกเลย ว, ว่าใครเรียนจบด็อกเตอร์ใครจบปริญญาเก้าคนนั้นจะเข้าใจเราไม่เคยพูดแต่ตอนนี้องค์ความรู้เรามันเกิดมาจากภาษาทั้งหมด ก็ตีความภาษาเข้าข้างทิฏฐิมานะของตัวเองมันจึงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองและพระเจ้าไม่เคยดำดิให้สาวกจารุ่ยไปประกาศศาสนาแม้แต่หนึ่งครั้งพระองค์ดำดิให้สาวกจารุ่ยไปประกาศพรมอาจารชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดอย่าไปทะเลาะ ก, กับเขาอย่าไปแยกศาสนา แต่ตอนนี้เราประกาศศาสนาไปแข่งกับศาสนาอื่นเขาก็เกียดเราก็ฆ่าเราตีกันฆ่ากันมันจะเป็นสงครามการศาสนาขึ้นมาแล้วและแม้กระทั่งศาสนาพุทธเราเองก็ตั้งแก๊งตั้งกวนตั้นลัทธินิกายมาแข่งกันเองพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคุณจะใช้เทคนิคอะไรก็ช่างให้เขาเข้าไปในจิตแล้วปลดปล่อยความทุกข์เขานั่นแหละคือคาสอนพุทธเจ้าแต่เราไปติดบ่วงรูปแบบไงไปรักษารูปแบบ เมจเจริญสติไปสามสิบแปดพรรษาสี่สิบพรรษาก็ออกไปแต่งงานไงมีสติแต่เข้าไม่ถึงปัญญาไงก็มัวไปรักอนุรักษ์รูปแบบมันอย่างนั้นนะพระเจ้าบอกว่าเป็นไปตามเหตุและปัจจัยโลกมันเปลี่ยนพ่อครูอยู่ที่นี่เมื่อยี่สบกปีก่อนสิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้า อยู่แบบร่มเย็นจริงๆข้างนอกล่มเย็นแต่มันอากาศร้อนแค่ไหนอากาศเย็นแค่ไหนพ่อครูข้างในก็เย็นนั่นแหละแต่พูดถึงสิ่งแวดล้อมที่ที่พ่กคูอยู่แรกๆไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีตู้รับบริจาคไม่รับเงินด้วยที่นี่เราไม่จําเป็นต้องมีอะไรใช้ไงอยู่แบบสงบเย็นแต่โลกมันเปลี่ยนความเจริญเข้ามาไม่มีทางเข้ามานะบางคนบนพวกคูมาอยู่ไกลจังเลยฝุ่นก็ฝุ่น หน้าฝนมาก็เละตัวติดลมหน้าแล้งมาก็ฝุ่นทำไมมาอยู่ไกลขนาดนี้พ่อคูมันใกล้กว่าอินเดียอยู่ถนนที่เข้ามานี่ดีแล้วนะสมัยก่อนพ่อคูนั่งเรือเข้ามามันไม่มีถนนนั่นแหะเป็นความสงบเย็นเพราะความเจริญ ม, มันเข้ามาไม่ได้ไงตอนนี้อะไรเปลี่ยนเห็นไหมอยู่ๆทหารเขาก็ใจดีมาลาดย่างให้พ่อคูอีกแล้วไม่ต้องสงสัยหรอกโซฟามันมาได้ยังไงเพราะโลกมันเปลี่ยนไง ถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งนี้เข้ามาพวกเราไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่หรอกทุกคนก็ไม่รู้จักพ่อครูพ่อครูไม่ยอมออกไปข้างนอกยี่สิบปีเป็นทาสานอยู่ที่นี่สงบเย็นพอถึงเวลาแล้วเขาบอกว่าออกไปออกไปทําห้าที่ไปบรรยายห้าปีพอปีก่อนบอกแก้วหยุดหยุดอยู่เรื่องโทรศัพท์มาจะไปเชวยบรรยายบรรยายเออไม่ตัดผมดีกว่า เราไม่เดียบลอยอย่าไปยุ่มกับเขาเพราะเราไปเห็นแล้วรู้โลกจน่แจ่แง้งแล้วเนี่ยสั์โลกเป็นไปตามกรรมดอกบัวสีเหล่านะใครถึงเวลาเขาก็สแสวงหาเองอุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้จิตเราเนี่ยลองเปิดโอกาสให้เขาลองทาดูอาจจะเจอแนวทางที่ถูกจริตหลายคนไม่เข้าใจนะ จริตฉันชอบเงี ย, งยบๆนิ่งๆเสียงดังยังกับดิสโกโ้เทคปฏิบัติธรรมยังไงเหรอไอ้ น, นี่ไม่ใช่จริตนะความรู้สึกนี้เป็นกิเลสเป็นกิเลสเึ่นชาตินี้เราเคยชินเฉยๆอย่าไปเข้าใจจริตนะจริตจริงๆต้องเข้าไปในจิตและจิตเดิมมีจริตอย่างไรเนี่ยเขาจะเอาจริตตรงนั้นมาต่อ ย, ยอดทุกจริตทําได้หมดเพราะพาะ่อครูไม่ได้บังคับอะไรเลยให้มันข้ามพ้นความรู้สึกเรากิเลสเราที่เราคุ้นเคยว่าให้ปฏิบัติธรรมไปนั่งเงียบๆนั่งนิ่งๆ เมื่อกี้อาจารย์เดชาเพิ่งแค่เป็นวิปัสนาจารย์นะสอนยุบหนอพองหนอพุทโธมาท่านนับพรรษาตอนนี้เป็นสามสิบพรษาแล้วล่ะแต่ปีปีก่อนนี้ท่านถือเคตท่านศึกเพื่อไม่เป็นพระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระมาเป็นพระผู้น้อยดีกว่าถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยเราไม่ติดหรอกไอ้รูปแบบอย่างนั้นแม้กระทั่งอาวุโสอะไรพวกนี้เราก็ไม่เอาไงท่านบอกว่าฝึกกันอริยบทมีแต่ยืน มีแต่เดินกับนั่งนอนไม่เคยเห็นมีเลยแล้วไปเรียกอัจฉริบที่ได้ยังไงล่ะยืนเดินนั่งนอนเต้นลําตีลังกาอัจฉิบที่เป็นอัจิบทหลักและอัจฉิบทีย่อยชีวิตเรามันต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่นั่งอยู่เฉยเฉยเหมือนตอไม้ตอนนั้นเด็กก็ทําได้พอออกมานี่มันไม่เงียบอย่างที่ว่านี่ก็วีนอีกเพราะว่าเราไปฝึกแบบเด็กๆไงพอออกมาเจอของจริงน่ะเสียงดังหน่อยก็วีนอีก มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราต้องฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมวุ่นวายก็สงบเสียงดังก็สงบเงียบก็สงบอยู่เฉยๆก็สงบเคลื่อนไหวก็ต้องสงบนี่คือการฝึกจิตให้มันรู้เท่าทันสิ่งมากระทบทุกอย่างแต่เราไปติดรูปแบบีปถูกกดคุมถุงชนมาตั้งแต่เด็กเลยโดยเฉพาะสังคมไทยเรานะพาอครูเมื่อ หลายปีก่อนบอกแก้วถึงเวลาแล้วไปตามรอยพุทธเจ้าไปอินเดียก่อนไปดูว่าเขาไปทำไมถ้ามีใจนะบอกผิดหวังวัดไทยวัดลาววัดขเขมรวัดญี่ปุ่นอะไรเป็นแค่รีสอร์ทให้คนไปพักพระอาจารย์กับแม่ชีนี่ทำอาหารเลี้ยงโยมเพื่อความอยู่รอดจบด็อกเตอร์เป็นไกดเท่านั้นเองไม่ได้ทำมาอะไร ออกกระแสพุทธประวัติเพื่อให้คนไปเที่ยวเอาเงินเข้าประเทศแต่บเงเอิญพระครูไม่มีใจก็ไม่มีคำว่าผิดหวังแต่ชี้ให้ดูว่าน่าเสียดายไปบ้านเกิดเมืองนอนจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธอยู่ที่นูนแต่ตอนนี้มันไม่มีแก่นทรรมอะไรเลยพระครูก็ไปสัมผัสไปไหนพระครูก็นอนวัดกลางกฎอะไรๆ ไ, ไปสี่สังเวชก็ไปนะไปถึงถ้ำอจันต้าน่ะ แหกไปอีกซีกหนึ่งพระครูไปเห็นอะไรที่น่นเห็นความไม่มีอะไรแล้วก็ปัชญาที่ครูบาอาจารย์ใช้เวลาเจ็ดร้อยปีถ้าเฉลี่ยชาติหนึ่งเจ็ดสิบปีก็สิบชาติสิบอายุคนถ่ายทอดให้ทุกคนมุ่งมั่นแกะสลักแกะแกะแกะแกะูเขานะเป็นหน้าผานมีตั้งยี่สบกยี่สิ็ดถ้ำ แต่ละถ้ำแต่ละเสานี่สวยงามมากปัจฉญาตรงนี้แหะคือคําสอนพุทธศาสนาเขาแสดงอะไรรู้ไหมไม่ต้องเอาอิฐก้อนหนึ่งเข้าไปไม่ต้องเอาปูนกระสอบหนึ่งเข้าไปเลยมีแต่เอาออกเอาออกเอาออกและเป็นจุดเดียวที่บรรจุยงกระพันอยู่ยกรกอริจินอลเนี่ยเพราะอิงธรรมชาติแต่ไอาที่สร้างมาสร้างมาด้วยมือมนุษย์นั่นถูกทําลายหมดและที่เหลือนี่สร้างมาใหม่นะเพื่อปลูกกระแสพุทธประวัติเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะแต่พวกูว่าพกูไปสัมผัสแล้วไม่มีพลังอะไรเลยมันกลายเป็นพาณิชย์หมดท่ามอาจารต้าเนี่ยทําให้พกูย้อนกลับมาดูตัวเองยี่สิบปีทําอะไรอยู่ทําทุกวันแต่อันนี้สงมันเกิดขึ้นน้อยมากเอาท่ามอาจารตาเกิดอะไรญี่ปุ่นไปสร้างสนามบินเล็กๆอยู่นั้นนะเอาลูกหลานเขาเยาวชนเนี่ยบินไปดูงานท่ามอาจารตามันไปปลุกกระแสเรื่องขันติ ความอดทนวิริยะญี่ปุ่นถึงสําเร็จไงแต่พวกเราไปเทียเท่ยวเฉยเฉยไปเทียเท่ยวเฉยเไม่เห็นอะไรพระครูเห็นพระครูเห็นเลยนะว่าโอ้ครูบาอาจารย์ที่ตอนที่ท่านเนี่ยกำลังแกะสลักทันเลยท่านมีความมุ่งมั่นมากไม่คิดเรื่องอื่นทุ่มเทชีวิตกับตรงนั้นนั่นคือฝึกนั่นแหละคือฝึกจิตสมาธิตั้งมั่นไม่ใช่นิดหนึ่งอ้างเอ๊ะมาลาพระครูจะไปโน่นแล้วก็จะไปนี่ ถ้าอย่างนี้มันจะสร้างธรรมาจันตาเสร็จไหม ย, ยุคนี้อ้างเท่า น, นั้นแหละมีแต่ข้ออ้างร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่านะอ้างหมดอุ้ยร้อนจังน้องเขยพ่อครูเองเมื่อ20กว่าปีก่อนมันมาเยี่ยมพ่อครูนะตอนนั้นไม่มีศูนย์นะอยู่ในไล่แหลมทองพ่อครูทาการเกษตรมาวันแรกโอ้เงียบดีจังเพราะอยู่อเมริกามันวุ่นวายง พอวันที่สองมันบอกเงียบเกินไปพอวันที่สามบอกเงียบเหงามันเผ็เลยเอาเงียบแล้วก็ดีแล้วทําไมไม่อยู่ล่ะเออหลานชายอยู่บนมาเยี่ยม บ, บ้านริมเขื่อนพะกูนนะโอ้ยสวยมากเลยบอก บ, บอกยกให้ไหมไม่เอาก็มันสวยแล้วไงบ้านจินลมไงแม่เอา นะไม่เอาก็ดีแล er es que ้วทาไมไม่เอาล่ะเอาเห็นจระจ่างไงพราะเราทุกข์มากวุ่นวายพอมาเห็นเออเงียบดีจังเนอะก็ดีแล้วไงพรุ่งนี้มาเงียบเกินไปมารืนนี้มาเงียบเหงาไปดีกว่าคนเรามันแปลกนะมันแปลกมันเห็นแล้วไงเห็นแั้วก็ไม่เอา เอ่ยชื่ออาจารย์อ้อยหน่อยนึงเอามาเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่นี่สิบห้าเดือนบังเอิญต้องออกไปไปงานศพพี่สะัยพ่อครูไม่พูดรายละเอียดสามาิติขึ้นวโอกาสไปเคลียร์งานอะไรอะไรกลับมามาบอกพก่อครูว่าไปเห็นผู้คนเดี๋ยวนี้เน่ะมันแห้งแรง เหมือนอยู่ในทะเลทรายแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่รักเราแต่รักแบบนัยยะแบบแห้งแรงสมัยก่อนแกก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิเลยสอนปริญญาเอกนะแกก็แห้งแรงแต่แกไม่รู้เหมือนคนเดินทะเลทรายพ่อครูบอกนั่นแหละอารมณ์แห้งแรงพ่ออะไรไหมมันหิวกระหายไงในทะเลทรายไม่มีของกินไม่มีน้ำดื่มเมื่อคนหิวกระหายเพราะว่าความพยานหยาบประมันแล้วเนี่ย มันก็กลายเป็นคนแห้งแรงไม่มีน้ำใจคณหัะเดินไปเจอไอโอเอซิสนะไปเจอทางทะเลทรายมีป่าไม้มีน้ำเนี่ยก็เหมือนมาเจอที่นี่แหละอุย้ยสบายเย็นดีนะนกินให่อะมันก็ไม่อยู่ไงมันก็เดินทะเลทรายต่อไปเพราะมันมีอนาคตไงอาจารย์อ้อยบอกคิดถึงศูนย์เลยศูนย์นี่เป็นโอเอซิสของาศาสนาเป็นโอเอซิสของโลกเขาอยู่แค่สิบ ก่เดือนไงเขาเกิดปัญญาเขาไปเห็นความจริงแต่คนอยู่ที่นี่หลายปีเงไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยอยู่เสียเวลาชีวิตออกไปซิ่งดีกว่าอย่างน้นนอยๆไปอยู่กับคนแห้งแรงมันจะได้เห็นทุกข์นะไม่โอกาสอยู่ที่นี่มีสิ่งแวดล้อมที่มันสงบเย็นแล้วเนี่ยก็มุ่งมั่นปฏิบัติสิเห็นไหมเดินทะเลทรายโอ้หิวกระหายเกือบเป็นเกือบตาย พอเจอแหล่งน้ําเปิดต้นไม้แล้วกูพักแค่พับหนึ่งกูต้องรีบไปเพราะเรามีอนาคตไงคนมันเอาอนาคตมันไม่เอาชีวิตนี่แหละที่อาจารย์อ้อยจะเป่องออกมาเคำว่าแห้งแล้งเนี่ยคํานี้ดีมากมันสะท้อนให้เห็นคนทุกวันนี้เนี่ยแห้งแล้งเพราะเขาหิวกระหายเขาไม่มีพอเมื่อไม่มีพอจะมีส่วนเกินได้อย่างไรยุคนี้เน่ะ โดยเฉพาะสังคมไทยนะโดยเฉพาะสังคมไทยพูด แ, ดงแรงๆเลยไม่เป็นไรเพราะคูเป็นคนไทยก็สิทธิไงเพราะครูไม่ได้ว่าใครนะคนไทยเนี่ยมีคนรวยเยอะพอสมควรแต่เศรษฐีมีน้อยมันไม่มีเศษส่วนเกินที่จะให้ไม่มีทำโน่นทำนี่ก็เป็นแค่สร้างฉากเป็นยันกันผีเพื่อให้มันรวยมากขึ้น เร็วๆนี้พ่อครูก็เล่าแล้วเนี่ยเศรษฐีอินเดียบริษัทหนึ่งเขามีคนงานแค่400กว่าคนบังเอิญปีที่ผ่านมามันกำไร 40,000 กว่าล้านคิดเป็นเงินไทยเขาไม่คิดว่าเขาเก่งนะเขาได้มาจากลูกน้องเขา400กว่าคนมันแจกรถเก๋งคนละคันซื้อคอนโดให้นั่นละเศรษฐีตอนนี้บ้านเราคนรวยบ้านเราเนี่ยแห้งแรง และเศรษฐีอินเดียคนหนึ่งเนี่ยปีก่อนบริจาคเงินสองพันล้านยูเอส0องพันล้านยูเอสดอลลาสองพันล้านยอดอลล่าคิดเป็นเงินไทยหกหมื่นกว่าล้านบาทสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมยังไม่เสร็จนั่นล่ละเศรษฐีเพราะเขามีวัฒนธรรมเขามีศาสนาสมัยนางวิสาขาก็มีเห็นไมทาจริงๆนั่นแ่ะเศรษฐีมีเศษส่วนเกินที่จะให้ สังคมยิ่งสงบเย็นไม่ใช่ว่ากูรวยคนเดียวลูกน้องกดมันอย่างงั้นแหละสังคมมันไปไม่รอดปลาใหญ่กินปลาเล็กนี่คือแห่งแรงนะก็เป็นข้อคิดเล็กๆในน้อยแล้วก่อนจะฉายวีซอาบางคนก็ดูแล้วเพิ่งวิซารนี่ใหม่นะของวันเสียงเพื่งเพราอกูเพิ่งมาเปิดให้สองสาบางคนก็ดูแล้วดูอีกหน่อยๆหนึ่งเพราะหลายคนที่อยู่ที่นี่โดยเฉพาะ คุณไม่ชีกับพายพิสูุเนี่ยท่านไม่มีโอกาสมาเซิร์ชอะไรพวกอินเทอร์เน็ตกับพวกเรานะเพราะสิ่งนี้ต่อไปจะมาแทนพวกครูบางอย่างที่ว่าคนมาใหม่ทุกคนต้องดูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติสร้างความเข้าใจถ้าทำด้วยข้อกังขาข้อสงสัยแล้วเนี่ยมันก็กล้ากลัวๆนะวรนในสิงเข้ามาช่วยต่อยอดตรงนี้นะทุกคน ถ้าทุกคนยังสงสัยวันในสิงอยู่ก็อย่าเพิ่งปฏิบัตินะก็แสดงว่าไม่เปิดใจนะอย่าเพิ่งปฏิบัติแล้วมันจะทุกข์นะดูแค่นี้ก็คิดว่าปฏิบัติก่อนเมื่อไปเห็นอะไรที่มันแปลกๆไม่เคยเจอแล้วตอนนั้นอ่ะค่อยมาคุยกับพ่อครูนะบางคนเต้นๆอยู่พ่อครูเดินมาพ่อครูจะถามบอกไม่ให้เวลาถามเบี่ยงทิ้ง ยุคนี้เราเราคุ้นเคยว่าเราอยากรู้จากเราถามออกมันง่ายดีนะรู้จากเราวิจัยเราปฏิบัติให้มันเข้าถึงเองนั่นของจริงพอถามเรื่องนี้เออดีใจเดี๋ยวมันก็สงสัยเรื่องอื่นอีกนะเบี่ยงไอ้ตัวอยากรู้ทิ้งเบี่ยงตัวไอ้ขี้สงสัยทิ้งไม่ใช่ไปแก้ที่ให้มันหายสงสัยมันหายสงสัยเรื่องนี้ไอ้ตัวขี้สงสัยเหมือนเราอาหารให้มันกินมันก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นดับที่ต้นเหตุของมัน อย่าเป็นคนมักง่ายนะอะไรๆก็ถามเาเลยถามมาเลยเนี่ยไม่ยอมวิจัยไม่ยอมเหนื่อยไปทาทำเราทำเรื่อยๆเดี๋ยวคนที่ตอบโจทย์เราคือจิตเดิมเรานะ่ะอาจารย์เราจริงๆเขาจะสอนเราอย่าอย่ามักง่ายอย่าอยากรู้ไวมากนะมันไม่ใช่ของจริงนะก็ดูคนที่ดูแล้วดูอีกดูวันนี้ดูปีหนะ้าความเข้าใจไม่เหมือนกันนะคนอยู่ที่นี่ยิ่งต้องยิ่ ง, ต, งต้องดูรู้ว่าคอนเซปต์เราเป็นยังไง เพราะการคำถามที่เขาเป่งออกมานย่งคุณวันเสิงเนี่ยคมชัดลึกนะเขาไม่มีคำถามอะไรที่เพ้อเจอนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นแก่นสารนะบางทีถามอะไรก็ไม่รู้สักแต่ว่าถามถามไปอย่างนั้นะถามให้กิเลมันดีใจ ที่ผมมันดีใจปุ๊บมันก็ถามแรงขึ้นถามมากขึ้นเพราะว่ามันมันมีกําลังไงแล้วต้องทําลายไอ้ตัวขี้สงสัยนั้นซะนะไม่ใช่ไปแก้โดยหายสงสัยนะมันไม่หายหรอกมันยิ่งมามันยิ่งสงสัยมากขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวขี้สงสัยมันมีกําลังไปเหวี่ยงมันทิ้งซะนะสังเกตหลายคนก้าวหน้าล่ะสมัยก่อนก็ถามพ่อครูตั้งแต่เช้าจนเย็นล่ะ ตอนนี้เจอพระครูก็เหมือนไม่เห็นเลยนะเห็นไหมเขาบอกเมินซะเถอะฉันพึ่งตนเองได้แล้วนี่แหละคือคำสอนพุทธเจ้าถ้าวันไหนใครลืมพระครูแล้วนั่นแหละคือสาเร็จแล้วอย่ายึดพระครูเป็นที่ตั้งนะยึดพระธรรมทุกคนมีธรรมะเป็นที่ตั้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเข้าไปในจิตได้แล้วจำไว้น่าไม่ต้องห่วงตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่าห่วงมากนะ เขาให้แก้วขอร้องพระครูพระครูอยู่ร้อยสปีนะร้อยยสบปีนะรับปากนะรับปากนะพระครูทําไมให้พระครูอยู่ร้อยจังร้อยยสเอ็ดปีไม่ได้เหรอพระครูไม่ได้ห่วงนะพวกเรามีทำเป็นที่ตั้งแล้วยึดแล้วแล้วเข้าไปในจิตได้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางตันขอให้แบ่งปันเวลาเดี๋ยวจิตเราก็ผ่าไปเองแต่ไอคนที่เขาสอนทีละขั้นเนี่ยเมื่อครูบาอาจารย์ตายจากไปแล้วนิกแป๊กเลยเนะ สามสี่สิบปีเนี่ยก็ศึกไปออกแต่งงานไงพ่อครูบาอาจารย์อันนั้นคือสอนทีละขั้นอันนี้ไม่ใช่เราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยจิตเดิมเราครูบาอาจารย์เราตื่นแล้วนั่นนั่นแหละเขาจะถ่ายเทยให้เราไม่มีวันสิ้นสุดอย่า ก, กังวลแต่แน่นอนเขาบอกว่าเขาพ่ครูอยู่เป็นกำลังใจหนะอยู่ที่ใจไงนะก็ไม่เป็นไรพราะครูอยู่เนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่พ่อครูไม่อยู่ต้องเดินต่อไปนะ ไม่ต้องกังวล น, นะอย่าให้พ่อกูอยู่แค่ร้อยี่สิบปีนะมันน้อยไปขอน้อยไปเนาะโอเคนะ